บดเอยเขานี้มีเสียงแต่ลมลื่นยังมีเนื้อเป็น เมื่อปี 2480 ท่านได้ตีกตัวจากหมู่คณะออกยะลึก ในด้านที่หลวงปู่บุญขึ้นไปนั้นเป็นป่าดงหนาชนิดสัตว์ป่าเหล่านี้คงจะไม่ เมื่อหลวงปู่พบสถานที่อันเหมาะสมต่อการบําเพ็ญเพียร ไม่ว่าจะเช่นพูดปีศาจซึ่งเป็นวิญญาณมิจฉาทิฐิอันดูร้าย 8 ค่ำ เพียงแต่ไม่ลุกแล้วมุ้มเข้ามาในกดนอกจากทรงเสียงร้องคน โดยมีความกลัวเป็นที่ ท่านได้พบหมอยาสมุนไพรชาวไทย 3 คนเดินทางมาจังหวัดรอยิดเข้ามาฟังเราแล้ว เมื่อมาอยู่บนภูเขาควายจะใช้เวลาตอนกลางวันออกหาตัวยาสมุนไพรที่หาได้ยากเวลากลางคืนก็ก็ก่อกองควายกองใหญ่ ถึงหลวงปู่บุญอยู่บนภูเขาเพียงรูปเด 4 เดือนถึงได้กลับสู่มตุภูมิกลับมาเมืองไทยแล้วทราบพักอยู่ๆจน เป็นที่น่าพอใจก็ตัดสินใจปรากฏพักอยู่เวลานั้นไม่ทันมืดค่ํามีชาวบ้านหิ้วกลุ่มหนึ่งก็พาเออท่าน ถ้าท่านอยู่ที่นี่เสือมันต้องเล่นงานท่านแน่ โยมจะได้วิตกทุกข์ร้อนเลยชาวบ้านยิวก็พยายามอ้อนวอน ต้องตัวใจเสือดีๆมอบกายถวายชีวิตให้ อยู่ด้วยความประมาทิฐแนบแน่นอยู่ในการภาวนาตลอดเวลากระทั่งคืนนั้นผ่านไปโดยไม่ วันสุดท้ายที่ตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นสุดท้ายที่ตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นก่อนที่หักๆๆดังแต่ไกลอีกคู่มา หลวงพูหยุดกัลยาเดินตรงกลมทั่วขณะนึกถึง ตาลปฏิบัติการทุรดงมาก่อนอย่างโชคจูนประกอบกับป่าทั้ง เสือโคร่งตัวใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบกริบชัดตาเต็มตาก้าวย่างมายืนบารมีของสัตว์กินเนื้อ ไอ้ตาบ้าอะไรวะคันปัจจนาก็มันจริง เป็นความอี่ดันพิพาลพบประสบการณ์มาไม่มากนักนี่คงจะรอให้มืดค่ําเสียก่อนถึงๆหลวงปู่บุญคิดว่า ถ้าเสือตัวนี้กับข้าพเจ้าเคยเป็นศัตรูกันมาหรือว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้เวรนี้กับกับเสืออยู่ตรงต่อกัน เมื่อมงกุฎจับดึงลมขึ้นทําให้เสือ กับท่านจารึกตุรงออกจากเขตบ้านนิ้วเดินทางมีเรื่องเกี่ยวกับเสืออย่างน่าหวาดเสียวหลายครั้งเช่นครั้งที่จะจําพรรษาอยู่ แห่งนี้เป็นป่าทึบมีเสือดุหนักหนากระทั่งเจ้าเดินผ่านเว้นแต่เจ้าเนี่ยจะมากลุ่มใหญ่มีอาวุธครบมือ หลวงปู่บุญก็เร่งฝีเท้าให้เร็วสุดเสือก็เร่งฝีเท้ากันอีกแกชะเสือก็ชะอีกห่างประมาณ 20 เมตรเวลาเดินตรงทางเลี้ยวหักศอกทําให้เสือมองไม่ 5 นี้ก็จนแป๊บเดียวก็ถึงตัวท่านอะไรอย่างเพียง ส่วนโยมพล่มนั้นพอรู้ว่ามีเสือเดินตามหลังแล้วก็เดินนํา เกณฑ์ดีสละชีวิตเรื่อยๆๆมันไม่เข้า ก็อาจสรุปได้ว่ามันมีเจตนาเดินตามมาทรงหลวงปู่เพื่อคอย ในช่วงที่ออกจากอุทดงผ่านไปตามชายนานา อีกทั้งตัวเอก็เกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายอย่าง เมตตาอยู่ใกล้ๆหนองน้ํานั้น 3 วันกระทั่ง 4 หลวงปู่บุญได้เข้าที่ภาวนาเจริญสมาธิขณะ ยามมืดวันนั้นกว่ายังไม่สว่างหลวงปู่บุญก็เตรียม หลวงพ่อจําต้องคอยควายขวาสว่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ หายไปหมดในชั่วคืนเดียว